ให้หนาวทําให้ขาดรสชาติทำใญ้ยาตาไปหน่อยเพราะว่าธรรมยตราเนี่ยนะมันีะมีแค่สองอย่างนะปกติเนี่ยปีไหนปีนั้นอนะ่ะกลวันเดินร้อนกลางคืนนอนหนาวนี่เราเดินร้อนนะแต่ว่าไม่ค่อยนอนหนาวเท่าไหร่อาจจะหนาวแค่วันแรกนะแต่ก็ไม่แน่หรอกนะวันต่อไปใชถึงแม้ว่ากางคืนจะไม่ค่อยได้นอนหนาวเท่าไหร่นะแต่ว่า รถช า, ยย า, ราติและอิทธธรรมญาตรานะพวกเราก็ได้ประสบกันเป็นที่ความร้อนความยากลำบากเนะส้นทางที่ยาวไกลถนนที่ตุรกันดารบางครั้งก็ต้องทนผิวบางครั้งเจอความประหายบางครั้งก็ต้องเจอกับสิ่งที่มากระทบกระทั่งนะขัดใจหรือว่าทำให้ลาบาก อันนี้มันเป็นรถเชําธรรมยถาตราที่ปีแล้ปีเลาก็ต้องอประสบแต่ปีนี้ก็ถือว่าเข้มข้นมากเป็นพิเศษนะเส้นทางที่เราเดินเมื่อวานหลายคนที่เคยผ่านการเดินธรรยถาตามมาแล้วเนี่ยบอกว่ามันโหดินที่สุดเท่าที่เคยเจอซึ่งก็ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าพูดถงรรมยาาทางแล้วเนี่ยมันก็ไกลที่สุด เแต่กับของปีที่แล้วปีที่แล้วนยมีวันหนึ่งเดิน23กิโลเมื่อวานน่ปก็เช่นเดียวกั น, น23กิโลแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยทางสบายกว่านี้เยอะนะเป็นการเดินในเมืองส่วนเมื่อวานนี้เราเดินกันขึ้นเขาลงห้วยเส้นทางก็ไม่ค่อย ร, กกยราบเรียไทร่แล้วก็ซึ่งทําให้เราเนี่ยมาถึงที่พัก มาถึงหกโมงครึ่งนะถือว่าเป็นถือว่าทำสถิตินะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย ม, มาถึงที่พักก็ประมาณหกโมงเย็นคนะ่ำแล้วนะแต่ว่าไม่ไม่ค่เท่านี้นะเมื่ะวานหกโมงครึ่งแล้วนะก็ถือว่าได้ความสถิติอย่างหนึ่งของธรรมยถาตราความยากลำบากนะที่พวกเราประสบเนี่ยนะ จากการเดินด้วยเส้นทางที่ไกลและทุรกันดานเนี่ยเ<ม>บื้องหลังนะของผู้จัดเนี่ยก็คุยกันมากนะว่าเดินไกลอย่างนี้เนี่ยโดยเพราะช่วงบ่ายขึ้นเอาลงพ้วยเราจะไหวไหันอไมแต่ว่าประสบการณ์ของทาอธรรมยักรกายพิที่แล้วเนี่ยที่เดินกันมี่ากิโล ก็สามารถจะทำได้หลายคนนะก็ยินยันเต่มใจด้วยซ้าเราก็คิดว่าปีนี้ถึงแม้จะยาก ก, การะเทือนก็พวกเราก็น่าจะทำได้ล้วก็ทำได้จริงๆริงสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่เมื่อวานก็จะเสียใจนะที่ไม่ได้รับประสบการณ์ที่ว่าพเพราะว่าพรุ่ง น, น, น, นี้มนะีพรุ่งนี้มีให้พวกเราได้ได้ ได้ได้เกี่ยเกี่ยวได้รับได้สัมผัสนะไม <c oughs> ่ใช่ปิชาพวกที่มาเมื่อวานหรือว่ามาแต่วันแรกไอ <c oughs> ้ความทุกข์ยากความลําบากเนี่ยนะมันมีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าอ่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นโชคเป็นครอะเอามือก็เป็นคราะนะที่จริงมันมีประโยชน์มากทีเดียวความยากําบากอย่างที่เราได้ เจอเมื่อวานเนี่ยนะมันทําให้แม้ว่าจะทําให้เจ็บทําให้ปวดทาให้เมื่อยทาให้เหนื่อยละนะ้าแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะมันทําให้ร่างกายเราตึ้มแข็งขึ้นยิ่งถ้าทำเป็นอาจินนะมันก็จะทําให้ร่างกายเราไนมะ่ลรคภัยอะไอย่างก็จะลดน้อยถอยลง แต่มไม่เพียงแต่ทให้ร่างกายเราเขแข็งแกร่งขึ้นนะจิตใจของเราก็จะขแข็งแกร่งขึ้นด้วยแม้ว่าเมื่อวานี่หลายคนจะรู้สึกท้อ<ม>จะรู้สึกขัดเคืองจะรู้สึกเป็นทุกข์มากแต่มันก็เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อวางวันนี้ความรู้สึกนั้นก็หายไปแล้วและเป็ น, นราการผลดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยขแข็งแกร่งเพราะว่ามันคือการชนะตัวเอง ที่สําคัญมากแล้ะผลที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะก็คืออย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ทําให้เราเนี่ยสุขง่ายแล้วก็ทุกข์ยากคำว่าทุกข์ยากนี่ไม่ได้ไม่ได้หมายควาว่าทุกข์ยากลําบากหมายความว่ายากที่จะทุกยากที่จะทุกข์ในสตยากที่จะทูกใจให้ความ ล, ลำบากที่เราเจอไม่ว่าจะธรรมยาตารหรือว่าจะเหตุการณ์ใดก็ตามเนี่ย แม้ไม่ทำให้เหนื่อยทำไม่ล้าทําให้ปวดทําให้เมื่อยหรือว่าทำให้ทุกข์นะแต่ว่ามันก็เป็นเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ให้กับจิตใจคนเราก็มีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะํารองเทียกับที่เราร่างกายเราก็มีภูมิคุ้มกันอ่าเชื้อโรคเพราะถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันนี้เนี่ย เชื้อโรคก็สามารถจับเข้ามาเล่นงานร่างกายได้งา่ายและภูมคุ้มกันโรคเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มาจากไหนนะมันก็มาจากเชื้อโรคที่ร่างกายเราได้รับไม่ว่าจะได้รับโดยตรงใจหรือไม่ตรงใจก็ตามได้รับโดยไม่ตรงใจเช่นก็อาจจะตอนเด็กๆเราอาจจะเคยเล่นกับดินเคยสำลักหรือกลืนน้ําคลองเข้าไป เ, เวลาเล่นน้ำก็เล่นกับดินกับทราย หรือว่าการที่ได้ไปสัมผัสกับชั่วรกในในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเราบีบคั้นกันรวมทั้งเวลาที่เราเจ็บแล้วเราป่วยด้วยไม่จะเป็นบไม่ว่าจะเป็นหักหรือว่าอุบัติสายไม่ไว่าจะเป็น ไ, ไนข้าพรพิษอย่างเ่นสมัยนี้ักเป็นกันลล้วยิ่งถ้าเป็นไข้ทริตแล้วเนี่ย เป็ทั้งเดียวก็ถ้าไม่ตายมีก็จะไม่เป็นเลยเพราะภูมิคุ้มกันมันจะอยู่ในร่างกายอันนี้ว่ารับเข้ามาเลยไม่ตัง dictate, ้งใจแต่ถ้าเข้ามาโดยตั้งใจคือการฉีดวัคซีนวัคซีนคือชื้อโรคมีเชื้โรคนี้บอไว้ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้โรคบบุ้มกันร่างกายเราเนี่ยได้ได้ฝึกซ้อมได้รู้จักว่าเชื้โรหน้าตาเป็นยังไงนครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ทาง ไม่รู้จักนะ้ะก็เลยไม่ทํางานปล่อยให้มันเล่น ง, งานไอ้เชื้อโรคอะไรเล่น ง, งานติดใจแต่ครั้นี้พอร่างกายเรารู้จักมันแล้วเนี่ยพอมันเข้ามาอีกนะก็สามารถจัดการกับมันได้นั่นเป็นปงุกันโรคนะแต่ว่าส่วนปูงกันความทุกข์ก็เหมือนกันนะเราจะมีปองปุกการความทุกข์ไดนะ้เราก็ต้องมีต้องเจอความทุกข์เจอความยั่ลําบาก ตั้งแต่ระดับเล็กๆจนถึงระดับมากๆสูงๆม่ททำให้เราเนี่ยสามารถจะรับเลือกับความทุกข์นาน า, นานชนิดได้ดีขึ้นแต่พอมีพอเจออะไรที่มันยุ่งยากลำบากไม่ไม่สมหวังเราก็ไม่ทุกข์ับมันมากอย่างคนที่อกาัครั้งแรกอย่งง่งวงจะตายไม่ได้แต่พอเจอความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะ ก็จะไม่ไม่เป็นผู้เป็นร้อนกับมันมากเท่าไหร่เพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาดูเพราะรู้วิธีที่ท จ, จัดการกับมันได้วางติตวองใจได้ถูกให้ญ า, ากิญาติละหมาดที่เราเจอในวันธ ร, รยานการนี่นะมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละทําให้เราเป็นทุกข์ได้ยากขึ้นเพราะว่าเคยผ่านมาแล้วหรือว่าเคยเจอเรื่องทั้งนองนี้มาแล้วที่พิศนุโลกเนี่ยมัน ม, มีมีคุณยายคนหนึ่งนะ่ ตอบใบละ ว, วันญ า, ย, ายินถ้ามีชีวิ อ, อยู่ป่านนี้คงจะเกือบเก้าสิบแล้วตอนที่คนคนคนไปทําสาระพจนเกี่ยวกับญาญินเนี่ยมันก็ประมาณห้าปีที่แล้วญายินผมอายุประมาณแปดสิบสามปีเป็นคนที่ยิ้มตลอดเลยยิ้มตลอดเวลาทั้งที่ชีวิตก็ลำบากลําเข็ญญายินเนี่ยอใช้ชีวิตอยู่บนบนเขาทําไร่ปลูกผัก นะทำนาด้วยแต่เดิมเนี่ยก็มีลูกๆไปขึ้นไปช่วย ย, ยวกไปไป็นครอบครัว เ, เพราะาไม่มีที่ทํากิน เ, ากนเขาเพิ่งไปอยู่เมบนเขาตอนหลังลูกๆ ก, ก็อลงมาจากเขาไปหางานทําในเมืองแต่ยายยิ้งก็ยัง <c oughs> อยู่บนเขาเพราะว่าชอบชีวิตที่มันเรียกง่ายทั้งที่ต้องพึ่งตัวเองมาก ทุกวันพระนิยายยิ่งก็จะเดินลงเขามาที่วันวัดอยู่ห่างจากเข า, า, า, ากกขนยายี่ประมาณ8กิโลจากที่ที่จากกระท่มของย่าดินประมาณ8กิโลทางก็ไม่ค่อยดีนะคล้ายคทางที่เราผ่านมาแล้วนะเมื่อวานยิ่งช่วงหน้าฝนแล้วเนี่ยองค์นี้ก็ลำบากมากล็อกถืนเลยแต่ ย, าย่าดินเนี่ยก็จะต้องลงเขามาทุกวันศิน เพื่อมาจำเสียงที่วัดพอจำเสียรเสร็จก็ลุกขึ้นก็เดินปีนขึ้นเขาไปแต่โชคดีก็มีคนขับรถไปส่งเอาข้าวไปคนข้าวไปด้วยนะก็มีทางจริงคนพ้นคนก็คนเคยสัมภาษณ์ว่าเนี่ยยายินเนี่ยทุกวันพระนี่ต้องลงมาจากเขาเนี่ยหลากิโลเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนอยนะไม่เหนื่อยแลวไม่ลำบากเลไม่ ไม่ท้อเลยยยยงก็ตอบสัส้นๆว่าก็มันเคยเจอร้อนหนาเป็นตำนวนแบบคนโบนราณ น, นะก็มัเคยเจอร้านหนาแล้วถ้าเกิดว่าช่วงไหนเนี่ยก็าถามนะช่วงไหนเกิดเป็นฝนตกคนไม่สามารถจะขนข้าวข้าเข้าวสายขึ้นไปได้ไี้แต่ทายังไงนะยายยิงก็ตอบว่าก็มีหัวเผือกหัวมันนะมีกลอยกิน อยงี้ไม่ลําบากแล้วยาญินก็ต่อว่าก็ไม่เคยเสียแล้วหนาแล้วเวลาเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยทางยังไงนะเจ้าก็ต่อบเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะก็มันเคยเสียแล้วหนาคือไม่ว่าจะถามอะไรนะยายินก็ไม่เคยเป็นปัญหาเลยไม่รู้สึกว่ามันสร้างความทุกข์ใจให้เลยเพราะว่ามันเคยเสียแล้วยายินเนี่ยไม่รู้สึกว่าอะไรจะทําให้ทุกข์ได้เพราะว่าเคย ผ่านความทุกข์ความยากลาบากมาเนะี่อันนี้ก็เลยว่าญาญินมีประสบการณ์แมีภูมิคุ้มกันความทุกข์มาแม้ความทุกข์นี้มันมีประโยชน์นะความยากลําบากมีประโยชน์ถ้าเราไม่เคยแต่พาตัวเข้าไปหาความยากลาบากบ้างแต่ว่ามีลูกยืนหลานก็พาให้เขาได้จเจอบ้างอย่างที่พ่อแม่หลายคนกได้พาเด็กๆมาเดินธรรมยานตาเนี่ยทั้งที่มันลำบากมากนะ แต่ว่ามันก็เป็นการเติมวัคซีนนะป้องกันความทุกข์ให้กับเด็กแล้วก็ให้กับตัวเราเองที่เป็นพ่อแม่คือแม้เมื่อยุ่งแล้วก็ยังไม่สายนะที่จะเติมะป้องกันความทุกข์ให้กับตัวเองเข้าไปเพราะว่าตราบใดที่มีลมหายใจก็ต้องมีความทุกข์อย่างที่เราสอมาสักครูเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วนะเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้วไม่ไว่าจะเจอมา มากมายเชิงหลายมันก็ยังมีอีกมากมายที่รอเราอยู่เนี่ยแต่ถ้าเรามีพวิป้องกันความทุกข์นะเราก็สามารถจะรับมือหรือว่าก้าวข้ามมันได้อันนี้เรียกว่าทุกข์ยากทําให้ทุกข์ได้ยากขึ้นการจะินทางก็ทําให้สุขง่ายด้วยนะสุขง่ายนี่นะทานผูเราสังเกตมาที่ระตลอดที่เราเดินมาธรรมญาตาเนี่ยอย่างเมื่อวานนี่นะ แดดร้อนร้อนเนี่ยนะ เ, เพียงแค่มีลมเย็นๆมากระทบกายเนะี่ยโอ้เราก็มีความสุขลนะเวลาเดินเราก็เห็นร่มไม้อยู่ข้างหน้าและเราได้พักอยู่ที่อยู่ในร่มไม้สิบนาทีก็ดีห้านาทีก็ดีหรือไม่แต่นาทีเดียก็ดีก็มีความสุขลนะความสุขของหลายคนรายยิ่งของหลายคนนะเมื่อวานเนี่ยตรงริมสวนส้มนะ่ะที่มี ทิวไม้สนยโอ้นะ่ะมันสุขสบายมากเลยนะบางคนเนี่ยนะเพียงแค่ได้นอนได้นอนกับคืนเนี่ยนะก็มีความสุขละสุขที่วัอนนอนโรงแรมด้วยเวลาหิวกระหายเนี่ยนะได้กินน้ําไม่ต้องน้ําแข็งนะน้ําธรรมดาน้ําอุ่นเนี่ยมันก็มีความสุขละหลายคนเนี่ยนะักธรรมชื่อเลยนะว่าในบางช่วงนะใน บางช่วงบางโมเมนต์เนี่ยนะสุกยิ่งกว่าไปพาราคอนสุดนะอาหาร ง, ง่ายๆนะกินแล้วอร่อยกว่าไปกินในพัทคารเลยในนะชีวิตในเมืองนี่ยนะความสุขเป็นเรื่องยากนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินใช้ทองเพราะว่าขีดท่านของความสุกเราสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นะมันก็ต้องหาสิ่งมาจึนเจอให้เราได้เข้าถึงขีดนั้นนะแต่ก่อนตอนเด็กๆนะ เรากินกล้วยทอดกล้วยปิ้งก็มีความสุขนะแต่ตพอโตขึ้นต้องต้องเป็นหมูฉลามต้องกินอาหารห้องเต้ทีีมีความสุขอันนี้เราสุขยากขึ้นชีวิตชีพในคิด ใ, ในชีวิตประจําใจของเราเนี่ยนะมันทําให้เรามีความสุขยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยเรยแต่พอเราลงมานะสัมผัสกับชีวิบธรรมญาติกลางเนี่ยมันจะพะว่าความสุขเป็นเรื่องงา่ายมันไม่ต้องตะกี้ต ก, กายไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรมาก ความสุขก็สามารถจะับบงเกิดขึ้นกับจิตใจของเราได้นะเพียงแค่ได้เจอลมเย็นเรากระทบกายอยู่ในร่มไม้นะได้สนทนากับเพื่อนฝูงนะได้กินน้ำํำที่ดับกระหายส่วนท้องเราควรจะมีความสุขระหว่างทางเพราะได้เห็นทิวทัศน์ป่าเขาหรือว่าอ่างเก็บน้ําความสุขเป็นเรื่องง่าย ความสุขเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากมายก็ได้หรือไม่มีเงินเลยแล้วก็มีความสุขได้เพามีความสุขจากการที่ได้ทําได้ทําสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแม้จะเหนื่ยกายนะแต่ว่าใจเป็นสุขได้ช่วยเหลือนะเพื่อนเพื่อนธรรมญาตานะเป็นพยาบาลก็ดีเป็นสวัสดิการก็ดีสัมภาระ ก, ก็ดี ก็เหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขให้เราเนี่ยได้มารู้จักกับความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่หายได้ง่ายและความสุขเหล่านี้ก็ยังมีให้เราได้ได้ไ ด, ได้ได้สัมผัสอยู่มากมายแต่จะเห็นหรือสัมผัสความสุขแบบนี้ได้เนี่ยนะมันก็ต้องวางใจเป็นในระดับหนึ่งนะถ้าคนที่เอาต่บนเอาแต่วโวยวายนะ รู้สึกขัดเคืองใจนะตลอดทางที่เดินธรรมยัตตาเนี่ยก็คงจะสัมผัสหรือว่าเก็บเกี่ยวความสุขที่อยู่รอบตัวได้ยากเหมือนกันทั้งๆที่มันมีให้เราได้เก็บเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาใจที่อึดอันเนี่ยนะหรือว่าใจที่ขัดเคืองนะหรือว่าอดครวนต่อว่าด่าทอไม่ว่าดินฟ้าอากาศหรือว่ า, าเส้นทางที่ลำบากเนี่ย มันเหมือนกับแก้วน้ำนะที่มันมีน้ำอยู่เต็มแต่เป็นน้ำขุ่นๆด้วยแต่เติมน้ำใสยลงไปมันก็ไหลล้นออกไปหมดนะมันไม่สามารถจะเข้าไปในในในแก้วได้ก็เหมือนใจเราเนี่นะแม้จะมีความสุขอยู่รอบตัวแต่มันไม่สามารถจะเข้าไปในใจเราได้เพราะว่าใจเราเนี่มันมีอารมณ์ที่ขุ่นมัว เราต้องรู้จับวางนะหรือว่าว่างจากอารมณ์ที่คุณมัวมันนี้จะมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวได้เวลาเราเดินเนี่ยนะเวลาเราเดินนะลองนะลองพยายามที่จะมองออกไปนะเห็นสิ่งดีๆม้่งถ้าเรามองตากลงแต่พื้นเนี่ยนะมันก็ทำให้อ่ะปิดใจห่อเหี่ยวได้นะโดยเฉพาะบางทีพื้นก็ไม่เรียบไม่เรียบ แต่ถ้าเรามองไปข้างบนมองไปทพิฟ้าเป็นท้องฟ้าสีครามเป็นเมฆเป็นริ้วนะบางทีก็พิ้วนะเป็นรูปร่างต่างๆเห็นร่างกามันเบานะตจมันเบาตจ ม, มันสบายบางทีมองไ ป, ไ, ปไกลๆบ้างเห็นทิวทัศน์เห็นภูเขาเห็นอ่างเก็บน้ําให้ความสุขมันก็ไหลเข้ามาในจิตใจเราได้น่าย แต่ถ้าเรานึกกังเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนะใจเราจด จ, จ่อยพิจารณาปลายทางเมื่อไหร่จะถึงที่พักเมื่อไหร่จะถึงตากโตเนี่ยใจเราขุนโะมลเพราะขุนโมลแล้วเนี่ยมันมันไม่เห็นลนะในสิ่งดีๆสวยงามสิ่งที่ชุกช่วยิตใจนะไม่เห็นสองข้างท า, างเนี่ยนะมันมีทั้งสิ่งที่เป็นลบและเป็นบวกทางบางทีมันก็ร้อนนะแห้งกระด้าง แต่รอกข้างเราเยมันมีต้นไม้บางทีก็มีดอกไม้ให้เราได้ชืน่นชมท้องฟ้าก็สวยงามถึงแม้ <c oughs> ว่าจะเป็นกลางวลก็ตามแต่ถ้าเราเอาแต่บนแดดร้อนเนี่ยเราก็จะไม่เห็นท้องฟ้าที่งามหรือว่าถ้าเราขัดเคืองใจผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเราก็จะไม่เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ <c oughs> หรือเห็นแต่ว่าก็ไม่รู้สึกดีใจหรือว่ายินดี บางทีมุมมองของเราก็มีส่วนนะเดิอนเนี่ยถ้าเราถ้าเรามองแต่สิ่งที่มันเป็นลบสิ่งที่มันอลําบากแหงแรง้แรงกันดาเนี่ยเราก็ไม่เห็นสิ่งที่มันจะหล่อเลี้ยงชุบตัวจิตใจได้ลองปรับมุมมองของเราบ้างนะอันนี้ันก็เกี่ยวโยงนนะกับมุมลบมองลบ ก, ก, กับมองบวกนะถ้าเรามองลบเราก็เห็นแต่สิ่งที่มันมันแย่สิ่งที่มัน ทําให้ทุกใจความร้อนความหนาวนะความแห้งแล้งความกระด้างแต่ถ้าเรามองโบะเราก็จะเห็นนะอะไรที่สวยงามสองข้างทางลองฝึกใจเราดูนะว่าเออเราจะรู้จักเกิีดเกี่ยวสิ่งดีๆสิ่งสวยงามที่มันอยู่รอบตัวได้อย่างไรบนเส้นทางธรรมยาติมันมีให้เห็น ให้สัมผัสให้รับรู้ให้เก็บเกี่ยวมากมายแต่เคร่องสมาบ่อนนะมันไม่ใช่มันเรื่องของมุมมองก็อยู่ที่เรื่องของอารมณ์ในจิตใจด้วยเพราะว่าถ้าอารมณ์เราขุ่นโมัวลอให้ความอึดอัดความหงุดหงิดนะหรือว่าเสียงอดครวนต่อว่าต่อทอนเนี่ยมันรมรมอยู่ในหัวหรือว่ามันทุน่ทนใจเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรเฉยๆง่ายได้ยาก มีตามมองเห็นท้องฟ้าที่สวยเห็นเมฆที่อมีรูปร่างงดงามนะเบาสบายน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแต่มันไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าใจมันยังเป็นมีเสียงลงงมบนกลดายนะหรือว่ามีความรู้สึก ข, ขัดเคืองใจอยู่แล้วต้องต้องรู้จักถ่ายเทอารมณ์พวกนี้ออกไปจากใจเลยด้วยการรู้ทันรู้ทันพ่ามันเกิดขึ้นกับใจแล้ว พอรู้ทันเนี่ยอารมณ์มัน่ก็จะค่คลายไปแล้กายเราก็จะเหมือนกับแก้วน้ำที่ว่างที่สิ่งดีๆหรือความสุข ก, ก็จะไหลหลั่งเข้ามาได้ถ้ามันมีอารมลบหรือว่ามองลบเนี่ยมันของดีๆไม่มีก็มองไม่เห็นแล้วพวกเราหลายคนในที่นี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะรู้จักซิโก้นะซิโก้เนี่ยก็เป็นโค้ชทีมชาตนะิที่มีชื่อแต่ก่อนที่เขาจะเป็นโค้ชทีมชาตินี่เป็น มาฟุตบอลกับซูเปอร์สตารนะ์เป็นหัวหน้าทีมเป็นกับตันทีตอนลังก็ไปเล่นบอลทีมเล่นบอลอาชีพนะที่สิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามนะก็ประสบความสำเร็จนั้นะทำทีให้ได้เป็นอันดับหนึ่งนะเป็นแชมป์ตอนเสโมรสรกรีกก็มาซื้อตัวเข้าไปนะไปเล่นในกรงกก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อ เกี่สิปีก่อนคนไทยก็ดีใจที่ฟุตบอลไทยถ้าไปแข่งในอังกฤษและนี่ก็เป็นความฝันของซิกโก้เหมือนกันยารเข้าฝันที่จะได้ลงสนามในนามสโมสรอังกฤษระดับดียวกันหนึ่งนะแต่ตวนแล้วจนรอดก็ไม่ได้นั่งไม่ได้เล่นฟุตบอลสักทีไม่ได้ลงสนามเลยสักครั้งเพราะว่าได้แต่นั่งอยู่ข้างสนามเป็นตัวสำรอง จนตลอดฤดูกาลแล้วเขาก็เลยมีความทุกข์มากเลยเขาเครียดมากรู้สึกว่าการไปอังกฤษครั้งนี้มันมันเสียเวลาผิดหวังล้มเหลวมีใครถามเขาเรื่องนี้เขาก็ไม่อยากพูดตอนหลังเนี่ยผ่านไปหลายปีมีคนถามเขาเรื่องเนี้คราวนี้เขากลับยิ้มได้แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ผมมองไม่เห็นมองไม่ออกคิดมากไป อาจาอธิบายว่าเนี่ยไปอังกฤษครั้งนั้นจะมีแต่ได้ผลได้ได้บ้านได้รถได้ภาษาได้พัฒนาร่างกายได้พัฒนาทักษะได้เห็นได้เห็นคนได้สัมผัสคนหลากหลายได้มีมุมมองใหม่ๆได้ไปท่องเที่ยวในที่ไกลๆแล้วก็ได้สัมผัสเรกที่มีชีวิตที่สุดในโลกเรื่องเลียงแกเสียงเดีควกไม่ได้เล่น ไอ้สิ่งที่เขาว่าหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเขาอยู่ยตลอดเวลาสิ่งดีๆนะแต่เขามองไม่เห็นเพราะั้นตอนใจเนี่ยใจเขาจะมันคิดแต่มันจมอยู่กับความผิดหวังความไม่สมหวังเอาแต่โอยครวญเอาแต่ตีโพยตีพายสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันมต้องเยอะแยะแต่เขามองไม่เห็นเพราะว่าใจมันไม่ไป แต่มันคิดแต่เรื่องรบๆคิดแต่เรื่องจมอยู่ความผิดหวังนะก็มันกับแก้วน้ํานนะที่มันมีน้ำํำขุ่นๆเต็มจะเติมน้ําอะไรลงไปมันก็มันไม่รับให้วระลองรักษาใจเราอยนี้เป็นอย่างนั้นนะมันมีสิ่งดีๆให้เราเห็นได้สัมผัสตลอดเส้ น, านท า, างธรรมญาตตรามแต่ข้าใจเราเป็นลบนะใจเราจมอยู่กับความไม่สมหวังความไม่ชอบความขัดเกลาใจ ก็เหมือนว่าใจเราเนี่ยมันปิดรับความสุขมันไม่รับความสุขแลที่จะหลังไหลถ่ายเทเข้ามาเมื่อไหร่เราเปิดใจรับความสุขนะั้นด้วยการถ่ายเทเอาความสุขที่ไม่ดที่ออกไปจะไปจมอยู่กับเรื่องในรายซึ่งบางครั้งมันก็เป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วบองเทีอจะข่เคืองใจเพื่อนๆด้วยกันระหว่าง ก, กินอาหารแล้วก็ยังคิดถึงแต่เรื่องนั้นแหละ ทั้งที่เดินนะผ่านป่ามีทิวทัศน์งดงานอยู่รอบข้างแต่มันไม่เห็นนะแต่ไม่สามารถจะรับรู้สิ่งดีๆและเกิดความสุขขึ้นมาได้ mm hmm. ก็ยังคิดถึงแต่เรื่องรบๆไล่ ๆ, ลๆนะในอดีตรหรือว่าจมอยู่ความไม่สมหวังความขัดใจฝ่าไม่ออไปขัดใจบ้างนะแล้วความสุขมันก็จะไหลหลังคลั่งคลุกเข้ามาในติแต่งเราได้ ชื่อเราก็เหมือนกันนะชื่อเราเนี่ยมันก็มีสิ่งดีๆมากมายแต่ถ้าใจเรากอดติดอยู่กับสิ่งที่มันเป็นลบนะ า, น า, านแต่บ่นโวยวาีตีโพยตีพายแต่ถึงเพราะว่างานได้สำเร็จหรือว่างานมีอุปสรรคหรือว่าสมบัติของรักของห่วงสูญเสียไปโทรศัพท์ถูกขโมยหรือว่าเจ็บป่วยพอจมอยู่กัเรื่องพวกนี้นะ ไอ้ความสุขที่มีรอบตัวนี่มันก็ไม้สามารถจะเข้ามาสุจิตใจงเราได้ก็นวัตเสียโอกาสให้ใช้ธรรมยถาการเป็นการสุจใจเรานะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความสุขที่มีรอบตัวได้ไม่ว่าบนเส้นทางจะมีสิ่งผัดเกลื่อนใจอย่างไรอันนั้นก็เป็นแค่ครึ่งหนึ่งหรือว่าส่วนเสี้ยวของเส้นทางธรรมยถ า, ามันมีสิ่งดีๆที่จะให้ความสุขกับเราได้มากมายเปิดใจรับมัน อย่าให้ความเจ็บความปวดความเมื่อยมันมาคลองติดคลองใจเนาะจนกระทั่งคิดอะไรไม่ออกมองอะไรไม่เห็นนั่นั้นก็จะเป็นอย่างซิกโก้นะรือว่ารู้สึกว่ า, วาการเดินนี่มันมีแต่ความทุกข์นะมันไม่มันไม่ได้อะไรเลยนะเสียเวลาแต่ ย, ยังเรียนที่เขายังมองเห็นเมื่อเวลาผ่านไปแต่บางคนเจอสิ่งดีๆมากมายแต่มองไม่เห็นแม้เวลาผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังมองไม่เห็นเพราะว่าใจมันจมกับ เรื่องรบเรื่องร้ายอาชาที่เพูดกั่เท่านี้เอากบค